เดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิโวิวัชันตุความจังงายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินาสันตุโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัวันตรายโยอันตราย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาซีลิสนิจังวุฒาปาจายโนจาตตารธรรมาวันติอายุวนโนสุขังพลังทมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุ วะตัสาพมังคลางขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านราคั้นตุสัพรเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมมานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพรสั้งคานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิ